เรื่องการฟื้นฟูสังคมไทยและมนุษย์ตวิวัตตอนหนึ่งซึ่งอาจารย์รศินอินทศราได้บรรยายทางคลื่นสังคมไทย 96.0 เมื่อพุทธศักราช2540วันนี้ผมก็คงจะต้องมาคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ค้างไว้เมื่อวันเสาร์ก่อนนะครับเสาร์ที่แล้วคุยกันถึงเรื่องราหูเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะครับ ว่าจะมีโทษมีภัยให้สุขให้ทุกข์อะไรแก่คนอย่างไรบ้างวันนั้นผมเล่าเรื่องอะพอลโลหรือสุริยะเท พ, พบุตรของกรีกนะครับได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอะพอลโลเป็นสุริยะเทพที่มีรูปงามและก็มีเสน่ห์นะครับก็เป็นที่พอใจของสาวๆในเมืองมนุษย์มากทีเดียวครับแม้เทพธิดาในสวรรค์ก็ยังล่องลอยติดตามอันนี้ถ้าถอดเป็นธรรมมาที่สถาน หรือมองให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาซึ่งท่าน personification ทําให้เป็นตัวตนบุคคลขึ้นมาที่ว่าสาวๆลอยติดตามนี้ก็น่าจะหมายถึงพวกเมฆสวยๆนะครับบางทีก็มีเมฆสวยๆก็ลอยติดตามดวงตะวันหรือพระอาทิตย์ท่านก็มองเห็นเป็นสาวๆลอยติดตามสุริยเทพจริงๆก็น่าจะเป็นเมฆที่สวยงาม บางทีเมฆที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นี้มันก็สวยจริงๆนะครับก็น่าดูจริงๆเช่นว่าตอนเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเมฆนั้นสวยมากเลยครับมีสีต่างๆทีนี้ก็มีหญิงมนุษย์คนหนึ่งครับชื่อไครตีหลงรักอพอลโลหรือสุริยเทพเหลือเกินไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะได้มองอย่างชื่นชมในเมื่อสุริยเทพขับรถก็ผ่านฟากฟ้า ก็จะคอยหันหน้าอ้าแขนเข้าหาอพอลโลอยู่ตลอดเวลาแต่สุริยะเทพก็ไม่ได้สนใจใยดีกับเธอเลยแม้แต่น้อยในที่สุดใครตีก็เสียใจตรอมใจตายร่างของเธอก็กลายเป็นดอกทานตะวันหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับเขามองอย่างไรที่จริงก็คือต้นไม้นั่นเองแต่ก็มีเทพอับสอรือเทพที่ดาคนหนึ่งที่ใจแข็ง ไม่ยอมสนใจยายดีต่อสุริยเทพเธอคนนี้ชื่อดาฟนี่ดาฟนี่เป็นสาวสวยที่อพพลโลหลงไหลคอยติดตามแต่อพพลโลยิ่งตามดาฟนี่เท่าไรดาฟนี่ก็ยิ่งหนียิ่งตามก็ยิ่งหนีในชีวิตของอพพลโลนี่ไม่เคยเลยที่เทพที่ดาหรือหญิงสาวในเมืองมนุษย์คนใดจะปฏิเสธความรักของอพพลโลแต่ดาฟนี่ปฏิเสธ สุริยาเทพพยายามติดตามพอเข้าถึงตัวเจ้าสวมกอดดาฟนี่ก็กลายเป็นต้นไม้เตี้ยต้นหนึ่งยืนต้นอยู่เห็นหรือไม่ว่าคนโบราณ น, นี่ช่างคิดช่างฝันเป็นเทพนิยายเพียงไรเขาเห็นหยาดน้ำค้างบนใบไม้เตี้ยตอนเช้าต้องแสงอาทิตย์สวยงามวาววับพอแสงอาทิตย์แรงขึ้นแรงขึ้นในตอนสายหยาดน้าค้างก็หายไป เหลือแต่ต้นไม้ยืนอยู่จึงผูกนิยายเรื่องเทพอักษรดาฟนี่ขึ้นมาอพอลโลนี่ขับรถไม่ใช่ขับคนเดียวนะครับยังมีเทพผูบุตรอีกองค์หนึ่งชื่อโฮราเหอลอยอยู่เหนือหลังมา้าคอยบอกระยะทางเพื่อให้อพอลโลขับยังสม่ำเส ม, สมอทุกวันชื่อของเทพผูบุตรโฮร่านี้ได้มากลายเป็นคำสามัญในภาษาอังกฤษคือเอว ซึ่งหมายถึงเวลาหรือชั่วโมงนั่นเองเรื่องเทพพบุตรกรีกมีมากมายแล้วก็สนุกด้วยผมได้นำมาเล่าให้ท่านฟังเพียงเล็กน้อยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสมัยโบราณท่านเอาปรากฏการธรรมชาติมาผูกเป็นเรื่องราวเล่ากันอย่างเป็นตัวเป็นตนมีชีวิตชีวาดูเรื่องรามเกียรติ์เป็นตัวอย่างนะครับสนุกเหลือเกิน แล้วก็มีคุณธรรมมีธรรมะอะไรแทรกให้ดูอยู่มากมายมีเรื่องรามเกียร์เรื่องหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษผมได้มานานแล้วและก็เคยแปลให้กรมศิลปากรในสมัยที่ท่านอธิบดีท่านหนึ่งที่ได้คุ้นเคยกันเป็นอธิบดีอยู่ท่านขอให้ช่วยแปลเรื่องรามเกียร์สาหรับเด็กสนุกครับแล้วก็มีคุณธรรมอยู่ในนั้นเยอะเลย เทพนิยายเรื่องราวหูกับจันทาเทพประบุเป็นนิยายที่แต่งขึ้นในศาสนาพราหมณ์และก็เป็นเช่นเดียวกันกับนิยายของกรีกนิยายจีนก็มีเยอะครับเรื่องอะไรต่างๆแต่เรื่องเทพนิยายราวหูกับจันทาเท พ, พบุตรุสุริยะเท พ, พบุตรในศาสนาพราหมณ์ก็หลงเข้ามาปรากฏในพระไตรปิฎกอีกด้วยตามที่ผมเล่าไว้แล้วตอนต้นนะครับ ซึ่งท่านผู้ต้องการหลักฐานก็ดูได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่สิห้าเทวปุตตะสังยุตในคำพีสังยุตตนิกายท่านผู้รจนาคัมภีส่วนมากก็เป็นพราหมมาก่อนนับถือศาสนาพราหมมาก่อนจึงเป็นการง่ายที่จะหยิบเอาเรื่องเหล่านี้มาผูกไว้ในพุทธศาสนาด้วยพระสงฆ์ไทยในชนบทก็สวดจันทิมาสูตรเมื่อเกิดจันทรุปราคาหรือจันทรคราช แล้วก็สวดสุริยสูตรเมื่อเกิดซูรุปราคาอันนี้ก็เป็นความเชื่อถือที่มีกันอยู่ในสังคมของเราเวลานี้ก็กลายเป็นไสยศาสตร์ไปคอยอ้อนวอนราหูถ้าเกิดมีเรื่องราหูอะไรขึ้นมาคนก็อ้อนวอนให้ได้สุขให้พ้นทุกข์อะไรซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีเรื่องเหล่านี้สุขทุกข์บุคคลต้องทำเอาเอง ทีนี้ถ้าจะถอดเป็นธรรมมาที่สถานให้ได้ประโยชน์กับเรื่องนี้ก็ได้ครับเอาธรรมมเป็นที่ตั้งราหูคือโมหะหรือความมืดความหลงความหลงผิดหรืออวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองครับถ้าเป็นเงามืดในชีวิตจิตใจของคนความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งนักปราชญ์ท่านก็มองเห็นอย่างนั้นนะครับความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่ง อย่างนักปรานักปชญาโซเครติสท่านถือว่าความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งคนเราชอบพูดกันเสมอว่าเขาทําผิดเพราะไม่รู้คนทําผิดเพราะรู้น่าตําหนิมากทีเดียวแต่คนทําผิดเพราะไม่รู้นี่ไม่น่าตําหนิแต่ท่านโซเครติสนักปราชญาท่านเห็นตรงกันข้ามท่านบอกว่าคนที่ทําผิดทั้งไม่รู้นั่นแหละควรจะตําหนิมากกว่าเพราะว่า 1. ทำความผิดสองไม่รู้คือเมื่อไม่รู้ก็ทำผิดเรื่อยไปแต่ถ้าคนรู้ว่านั่นเป็นความผิดแม้ว่าจาเป็นต้องทำบ้างในบางคราวหรือว่ากระทำลงไปเพราะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็ยังรู้สึกตะขิตตะขวงใจยังรู้สึกมีความไม่สะดวกใจที่จะทาแต่ถ้าไม่รู้ทำไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็ทำเรื่อยไปอย่างนี้เป็นต้น นี่คือเหตุผลของท่านนะครับความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งแล้วก็ยังจะนำไปสู่ความชั่วร้ายอื่นๆ อ, อีกมากมายก็มีตัวอย่างเยอะเหมือนกันนะครับในชีวิตประจวาวันของเราคือเพราะความไม่รู้เพราะโมหะเพราะอาวิชชาเมื่อไม่กี่วันมานี้หนังสือพิมพ์เขาลงว่ามีชายคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ไปกินเหล้าจนเมากับเพื่อนฝูง แล้วก็ไปข่มขืนแล้วก็ทําร้ายฆ่านางพยาบาลที่ต่างจังหวัดนั่นก็เหมือนกันเพราะความไม่รู้ก็เพราะโมหะนั่นเองนําไปให้ทําตามปกติธรรมดานะครับจิตใจของคนเราเนี่ยผองใสยอยู่ตามปกติแต่เศร้าหมองไปมื่ดมัวไปเพราะกิเลสนั่นเองคือโมหะกิเลสคือโมหะไล่วิชาเข้าครอบงำบดบงัง เมื่อสิ่งที่เข้าครอบงำบดบงังผ่านพ้นไปแล้วจิตใจก็สว่างดังเดิมพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ทำลายโมหะและวิชามาก่อนราหูจึงกลัวแม้แต่เพียงเอ่ยพระนามของพระองค์ราหูก็กลัวนี่ก็ถอดเป็นธรรมาทิสถานนะครับพอเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าราหูก็กลัว คือว่าถ้าเรารู้ขึ้นมาเมื่อไรเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อไรทำลายความหลงได้เมื่อไรทำลายความไม่รู้ได้เมื่อไรความมืดในจิตใจก็กลัวก็หายไปไม่กล้าที่จะเข้าใกล้หรือว่าธรรมดาเนี่ยครับถ้าเราอยู่ในที่มืดหรือว่าครึ่งมืดครึ่งสว่างเราก็จะมองอะไรไม่ชัดเจนบางทีเห็นกิ่งไม้ไกวแกว่งอยู่เราคิดว่าเป็นมือผี เห็นต่อไม้ไม่แน่ใจไม่ชัดคิดว่าคนมานั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่คิดทำร้ายแต่พอเอาไฟฉายไปส่องดูหรือว่าแสงสว่างเกิดขึ้นตรงนั้นเราก็เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรแล้วเราก็เลือกกลัวหายกลัวเพราะฉะนั้นการทำจิตใจให้สว่างด้วยปัญญาเป็นเรื่องสาคัญมากเราผู้เป็นชาวพุทธเป็นสิทธของพระพุทธเจ้าก็ขอให้มารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ แล้วก็จะไม่ตกใจกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวและเราก็จะกล้าในสิ่งที่ควรกล้าเป็นผู้ที่ใครๆจะมาหลอกลวงไม่ได้โดยง่ายเป็นผู้มั่นคงในปัญญารุ่งเรืองด้วยปัญญาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมจะเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาในท้ากลางปุถุชนเป็นอันมากที่รกชัดสางได้ยากเหมือนกองหยาดเยื่อในทางใหญ่ แต่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมจะเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็ขอให้พัฒนาปัญญาให้สมเป็นสิทธิ์ของทุกขปรเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นตื่นจากความหลงจากความงมงายแล้วก็เป็นผู้เบิกบานด้วยความกรุณามีความกรุณาแล้วหลอกลวงใครไม่ได้หลอกลวงใครไม่เป็นไม่มีกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความหลอกลวง เพื่อประโยชน์ของตัวแล้วทำให้คนอื่นเสียประโยชน์เพราะมีความกรุณาเห็นใจเขาสงสารเขาก็คงจะต้องดาเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะครับอย่าว่าแต่จะไปนอบน้อมกับราหูหรือเทพอะไรต่ออะไรที่ไม่เห็นตัวถ้าเทพมีจริงอย่างที่ว่านั้นเอาละครับผมก็ยอมรับว่าเทพมีจริงแต่ไม่ใช่อย่างที่คนเขาเชื่อกัน แต่หมายถึงคนที่ทำคุณงามความดีแล้วไปเกิดเป็นเทวดาคนที่ดีในโลกมนุษย์เป็นคนมีศีลมีธรรมแม้แต่เทพก็ต้องนอบน้อมไม่ใช่คนต้องไปนอบน้อมกับเทพแต่เทพต้องมานอบน้อมคนแล้วเท พ, พเจ้าก็ยังกลัวแล้วก็เกรงใจขอยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนนะครับพระพุทธเจ้าของเรานี้ได้รับคาสรรเสริญเออผมทราบว่า มีพระหลายรูปท่านก็ฟังอยู่เหมือนกันนะครับผมขอว่าเป็นภาษาบาลีนิดหนึ่งว่ามนุสภูตังสำคุตังอัตตะทันตังสมาหิตังเทวาปีนางนามัตสันติเอวังหิอรหัตโตสุตังแปลว่าข้าพเจ้าหมายถึงพระกาลุทายีภาษาวกรูปหนึ่งของพระพุทธเจ้าได้ฟังมาจากพระอระหันต์ทั้งหลายดังนี้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ทรงฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระทัยมั่นคงดีแล้วแม้เทพเจ้าทั้งหลายก็นอบน้อมนมัสการพระองค์เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็ควรจะดำเนินชีวิตตามนี้จะมีชีวิตอยู่โดยไม่กลัวจะได้มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเยือกเย็นแล้วก็ในคำภีของเราอย่างในโทศชาติชาดก ท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินบ่อยๆเตชาสุเนมะภูจนาวิเวในทศชาติคือพระชาติใหญ่สิบชาติของพระพุทธเจ้าตอนท้ายๆมีอยู่ท่านหนึ่งเตนั่นเตมีชานั่นคือท่านมหาชนกสุนันคือท่านสุวรรณสามแล้วก็นเนนั่นคือพระเจ้าเนีมิราชพระเจ้าเนมิราชนั้นเป็นคนที่ประพฤติธรรม แล้วก็ชักชวนพลเมืองทั้งหลายให้เป็นผู้ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมท่านผู้นี้เทวดาทั้งหลายก็เคารพยกย่องมากทีเดียวจนถึงนับถือเป็นอาจารย์เทวดาทั้งหลายนับถือเป็นอาจารย์มีการประชุมกันที่ธรรมสภาที่เทวสภาแล้วก็มีพระอินคือเท้าสักกาเทวราชเป็นประธานแล้วก็กล่าวถึงคุณของพระเจ้าเนมิราชแล้วเทวดาในที่นั้น ก็พนานาถึงคุณของพระเจ้าเนมิราชบอกว่าเขาเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าเนมิราชเพราะว่าเขาได้อาศัยคําสอนของพระเจ้าเนมิราชแล้วก็มาเกิดเป็นเทพมาเกิดเป็นเทวดาอยู่ที่นี่แล้วก็อยากเห็นพระเจ้าเนมิราชในสวรรค์นี่เป็นเรื่องชาดกนะครับเล่าเอาไว้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่ห้ามไม่ฝืนเรื่องพวกนี้แต่แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นมนุษย์ แต่ว่าต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติธรรมให้ปฏิบัติธรรมอย่าว่าแต่จะต้องไปนอบน้อมเทวเจ้าอะไรเลยแม้แต่เทวดาก็เคารพนับถือแล้วก็นับถือเป็นอาจารย์เสียด้วยเวลาไปสวรรค์แล้วท้าวสักกะต้องเชิญให้นั่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเห็นไหมครับคนที่มีคุณธรรมสูงก็เป็นอย่างนี้ ช่วงที่สองนี้ผมจะขอคุยกับท่านในเรื่องที่ค้างไวสักครู่นี้ต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมะที่ว่าให้คนเราได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกแล้วก็อยู่กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ด้วยความเป็นมิตรกันในสังคมไทยของเรานี่ครับยังมีความเชื่ออะไรอีกหลายอย่าง ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่มิใช่น้อยทีเดียวครับเราจะต้องฟื้นฟูสังคมไทยของเราประการที่หนึ่งขอให้เปลี่ยนความเชื่อเสี้ยใหม่อย่างน้อยก็เป็นการปฏิรูปบางเรื่องก็จำเป็นต้องปฏิวัติกันขอยกตัวอย่างเช่นความเชื่อเรื่องวันดีวันร้ายเรื่องเลขดีเลขร้ายคนถือกันว่าวันนั้นเป็นวันดีวันนี้เป็นวันไม่ดี วันอาทิตย์อุบาตววันพฤหัสโลกาวินาศวันเสาร์อาทิตย์วดีอะไรก็ว่าไปซึ่งผมไม่เคยจำเพราะว่าไม่เชื่อและก็เลขดีเลขร้ายก็เหมือนกันเลขนั้นดีเลขนั้นไม่ดีเลขห้าไม่ดีเลขแปดดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับความจริงแล้วเรื่องวันเนี่ยครับไม่ดีไม่ร้ายไม่ดีไม่ชั่วเลขก็เหมือนกันมันเป็นของว่างๆอยู่ไม่ดีไม่ชั่ว ล้ายๆแก้วน้ำที่ว่างอยู่ตัวมันเองก็ไม่ดีไม่ชั่วแล้วเราเอาน้ำอะไรใส่ลงไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นเอาน้ำเหล้าใส่ลงไปก็เป็นแก้วเหล้าเอาน้ำหวานใส่ลงไปก็เป็นแก้วน้ำหวานเอากาแฟใส่ลงไปก็จะเป็นแก้วกาแฟอย่างนี้ครับตัวมันเองก็ไม่ดีไม่ชั่วเอายาพิษใส่ลงไปมันก็เป็นถ้วยยาพิษหรือแก้วยาพิษเพราะฉะนั้น วันเดือนปีอะไรต่างๆเนี่ยครับคงยังเชื่อกันอยู่ว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีเลขนั้นดีเลขนี้ไม่ดีไม่มีครับตามหลักพุทธศาสนาแล้วสิ่งเช่นนั้นไม่มีจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทาของเราเองบุคคลนั่นแหละเป็นผู้กระทาให้ดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็ควรจะต้องปฏิวัติคือว่าทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลย ไม่จำเป็นจะต้องมีในสังคมทำให้ท่านเสียประโยชน์เป็นอันมากเลยทำให้กังวลว่าท่านอยู่เลขนี้ท่านจะร้ายท่านอยู่เลขนี้ท่านจะดีท่านอยู่วันนี้เดือนนี้อะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งมันไม่มีผลอะไรต่อความดีความชั่วของคนเลยแม้แต่น้อยตัวการกระทำของท่านนั่นแหละอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แน่นอนว่า สุนัขขัดตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุตีตังสุหุตีตังที่พระท่านสวดกันอยู่ในเวลาเรานิมนต์ไปสวดขึ้นบ้านใหม่อะไรต่ออะไรกันหนะ้าเริกดียามดีขณะดีอยู่ที่สุจริตกายวาจาใจถ้ากายวาจาใจสุจริตตอนเช้านั้นก็เริกดียามดีขณะดีสุจริตตอนกลางวัน กลางวันนั้นก็เลิกดียามดีขณะดีสจริตตอนเย็นตอนกลางคืนมันก็เิกดียามดีขณะดีพวกโจรพวกขโมยพวกอะไรต่ออะไรนี่หลายคนก่อนที่จะไปปล้นไปทำอะไรก็ดูเลิกแล้วทั้งนั้นนะแต่เสร็จแล้วมันก็ถูกจับได้ถูกประหารชีวิตถูกอะไรไปตามกรรมของตัวที่ทำคนที่ทำบุญทำทานไปทำความดีอะไร ไม่ต้องไปดูเริกดูยามอะไรมันก็ดีและอีกเรื่องหนึ่งประการที่สองคือเชื่อเรื่องโชคชะตานิยมโชคชะตานิยมนี่มีความเชื่อเป็นธํามนองว่าชะตาชีวิตของคนเรานี่เป็นสิ่งที่เขารลีขคิดไว้แล้วเขาดีทอรมินมาแล้วเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะฝืนไม่ได้อะไรไม่ได้นี่ไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้าหรือทางพุทธศาสนานี่ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้น วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์มี Freedom of Will มีเจตจำนงเสรีมีเสรีภาพทางเจตจำนงทางความคิดทางการกระทำมิฉะนั้นแล้วคนจะทำอะไรไม่ได้เลยคือสุดแล้วแต่โชคชะตาจะบันดาลให้เป็นไปแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราไปหลงผิดเราไปเชื่อผิดก็เลยทำให้เสียเวลาของชีวิตไปเป็นอันมากทีเดียว เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเราจะต้องส่งเสริมเสรีภาพทางปัญญาเว้นความเชื่อเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอย่างวันก่อนนี้มีเด็กคนหนึ่งก็ตกเครื่องบินตายกันเยอะแล้วแต่มีเด็กคนหนึ่งก็รอดมาได้เขาแขวนพระอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็มีอะไรอยู่นิดหน่อยก็ไม่ทราบที่จริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก คือเด็กแกจะรอดมันมีโอกาสที่จะรอดก็คนที่แขวนอะไรต่ออะไรแล้วตายก็เยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ว่าจะรอดเพราะสิ่งนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าเราจะเชื่อลงไปจริงๆก็เชื่อว่าเด็กเขามีบุญเขาไม่ได้สร้างกรรมเอาไว้ที่จะเป็นเหตุให้ต้องตายเขามีบุญที่จะได้ทาความดีต่อไปความเชื่ออย่างนี้ทาให้เรากลัวบาก แล้วก็รักที่จะทําบุญรักที่จะทําความดีลองเทียบดูสิครับว่าระหว่างความเชื่อสองอย่างอย่างไหนจะดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าในการที่จะดําเนินชีวิตประจําวันของเราแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งควรจะต้องเปลี่ยนกันคือนิสัยชอบการพ น, นันอันนี้ครับต้องเปลี่ยนนิสัยชอบการพ น, นันต้องการได้ดีลอยๆต้องการได้ดีเร็วๆโดยไม่มีรากฐาน ต้องการรวยเร็วๆได้ดีเร็วๆได้อะไรเร็วๆคราวนี้อยากได้แต่ไม่อยากทำไม่อยากทำเหตุแต่ก็อยากทำผลมีตันหามากแต่ไม่มีธรรมฉันทะคือว่าไม่มีความอยากที่จะทำเหตุแต่มีความหวังอยากจะได้ผลอะไรมากมายกายกองอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับชาวพุทธเรานี่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเรื่องที่จะทำคือว่า ต้องเป็นกิริยาวาทกรรมวาทะเป็นรัฐที่ที่เชื่อกรรมกิริยาวาทะรัฐที่ที่เชื่อการกระทำวิริยะวาทะรัฐที่ที่เชื่อความเพียรความพยายามของมนุษย์แล้วก็เปลี่ยนค่านิยมในสังคมไทยสมัยมีค่านิยมที่มากมายที่ไม่ดีค่านิยมในเรื่องความมั่งคั่งต้องเปลี่ยนค่านิยมในเรื่องความมั่งคั่ง มนุษย์เราไม่จําเป็นต้องรวยครับไม่จําเป็นต้องมีวัตถุมากขอให้คนชั้นบนเลิกละความฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นตัวอย่างกับคนข้างล่างเลิกความโออาซึ่งเป็นเหตุให้คนชั้นล่างมองเห็นแล้วตาลุกอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ก็ต้องขนขวายกระเสือกกระสนดิ้นรนจะเอาให้ได้ไม่ได้ทางถูกก็เอาทางผิดต้องเปลี่ยนค่านิยมจากสุขนิยม ดอเห็นว่าความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสุขไม่ใช่สุขอะไรก็คือสุขทางวัตถุหรือสุขจากวัตถุให้มาเป็นปัญญานิยมสแสวงหาปัญญาอยู่ด้วยปัญญาวิมุตตินิยมให้หลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดอะไรต่างๆที่มันนำไปสู่ความทุกข์ความยุ่งยากลาบากวันนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันมากพอสมควรนะครับ วันหลังถ้าผมมีเวลาผมจะนำเรื่องพวกนี้มาคุยกับท่านทั้งหลายสังคมไทยเรามีความเชื่อที่ผิดมีพฤติกรรมของสังคมที่ล่อแหลมต่ออันตรายมาเป็นเวลานา น, านเป็นศตรวรรษเลยครับเราจะต้องปฏิวัติระบบความเชื่อระบบการดำรงชีวิตจากความฟุ้งเฟยมาเป็นความอยู่อย่างเรียบง่ายเสียสละเราก็จะได้พบอะไรต่อมีอะไรที่ดีกว่าประเสริฐกว่าประนีตกว่า